รัตไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่13บาประสูตรที่32สองรัฐปาละสูตรสูตรว่าด้วยกุลบุตรชื่อรัฐปาละพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จแวะพักณ น, นิคมแห่งแคว้นกุรุชื่อว่าทุลโกตทิตะรัฐปาละบุตร แห่งสกุลผู้มั่งมีแห่งนิคมนั้นสดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคมีความเลื่อมใสขอบรนพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคตรัสให้ไปขออนุญาตมารดาบิดาก่อนเมื่อไปขออนุญาตมารดาบิดาปฏิเสธจึงลงนอนกับพื้นอดอาหารถึงเจ็ดวันมารดาบิดาจึงอนุญาตในที่สุด เมื่อบวชแล้วติดตามพระสัสดาไปยังกรุงสาวัตถีท่านบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ต่อมาท่านได้ลาพระผู้มีพระภาคไปเยี่ยมมารดาบิดาเมื่อไปถึงบ้านก็ถูกขับไล่ไม่ได้อาหารทั้งยังถูกดา่าเพราะไม่มีผู้จำได้ภายหลังนางทาสีจำได้จึงเล่าความแก่มารดาของพระรัตปาละ มารดาจึงปล่อยให้นางทาสีพ้นจากความเป็นทาสและบอกเรื่องนี้แก่บิดาบิดาออกตามพบและนิมนต์ไปฉันที่บ้านในวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านไปฉันก็เอาทรัพ์มาล่อท่านก็ไม่แสดงความยินดีภ ร, ริยาของท่านถามว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนางอัสอรที่สวยงามเช่นไรท่านตอบว่า ไม่ได้ประพฤติโปรหมจันเพื่อนางอับสอเมื่อฉันเสร็จแล้วได้กล่าวธรรมภาสิทธ์แล้วไปพักอยู่นราชอุทยานชื่อมิคาจิระของพระเจ้าโกรพยะณพระราชอุทยานนั้นท่านได้แสดงธรรมแด่พระเจ้าโกรพยะผู้ตรัสว่าบางคนออกบวชเพราะประกอบด้วยความเสื่อมอันเนื่องมาจากความแก่ความเจ็บไข้ ความเสื่อมจากทรัพย์และความเสื่อมจากญาติรวมสี่ประการท่านออกบวชเพราะอะไรพระรัตปาละจึงแสดงธรรมุเทศคือข้อธรรมะสี่ประการซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้คือหนึ่งโลกอันความแก่นำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน 2. โลกไม่มีเครื่องต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกไม่มีเจ้าของจำละสิ่งทั้งปวงไป 4. โลกร่้องไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาเมื่อพระเจ้าโกรพยะตรัดถามถึงความหมายก็อธิบายโดยละเอียดซึ่งพระเจ้าโกรพยะก็ส่งเลื่อมใส